เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้ทั้งใจมาประกอบคุณงามความดีมาสร้างสรระที่พึ่งทางใจ ด้วยการบำเพ็ญบะพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีชีวิตที่ร่มเงย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายชีวิตของคนเหล่านั้นต้องมีสารณะหรือที่พึ่งอยู่สองส่วนด้วยกัน คือสาระที่พึ่งทางกายและสาระที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายนี้พวกเราก็มีครบกันทุกคนอยู่แล้วนั่นก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่ ไว้เป็นที่พึ่งทางร่างกายร่างกายของเราป่านนี้ก็คองตายไปนานแล้วไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากปจัจจัยสี่ส่วนใจของเราก็ต้องมีที่พึ่งเช่นเดียวกันที่พึ่งทางใจก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากราบไหว้บูชานับถือเทอดทูล แต่สิ่งที่เรากล่าวว่าบูชาเทิดทูนนี้ยังเป็นสรณะเป็นที่พึ่งภายนอกอยู่ยังไม่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่เรายังไม่ได้รับประทานอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะถ้าเรายังไม่ได้รับประทานอาหารนั้นเราก็ไม่ได้รับความอิ่มร่างกายก็จะไม่ได้รับการดูแล ให้อยู่ต่อไปได้ฉันใดพระราชนาฏใจที่เรารู้จักกันดีเช่นพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้หรือพระพุทธเจ้าที่เราเระลึกถึงนั้นเป็นพระพุทธรัตน์ภายนอกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษา นี่ก็เป็นพระธรรมรัตนะภายนอกพระสงฆ์องค์เจ้าที่เรากราบไหว้บูชาก็เป็นพระสงฆ์ภายนอกเป็นสังฆรัตนะภายนอกคือท่านไม่สามารถมาระงับดับความทุกข์ต่างๆในใจของเราได้เหมือนกับอาหารที่ไม่สามารถระงับดับความหิวของร่างกายได้ ถ้าตั้งไว้อยู่บนโต๊ะไม่ได้ตักเข้าปากไม่ได้เคี้ยวไม่ได้กลืนเข้าไปในท้องพระรัตนตรัยภายนอกจึงต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้กลายเป็นพระรัตนตรัยภายในเรียกว่าพุทธธรรมสังฆะนี่เป็นพระรัตนตรัยภายในถ้ามีพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจแล้ว ใจของเราก็จะมีที่พึ่งจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องน้อมเอาสาร ะ, ะภายนอกเข้ามาสู่ภายในเหมือนกับเราเอาที่พึ่งคือปัจจัยสี่ของร่างกายภายนอกเอาเข้าสู่ร่างกายของเรา ด้วยการรับประทานอาหารเวลาเจ็บค่ายได้ป่วยเราก็รับประทานยาเวลาหนาวเราก็เอาผ้ามาห่มเวลามีฝนมีพายุมีแดดร้อนเราก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านนี่คือวิธีที่จะสร้างที่พึ่งให้เกิดขึ้นทางกายที่พึ่งทางใจเราก็ต้องสร้างให้เกิดขึ้นภายในใจเราเช่นเดียวกัน ด้วยการศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเอาเข้ามาด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอยู่3มประการด้วยกันคือ 1. ทําทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ละการกระทาบาปทั้งปวง 3. ชำละใจให้บริสุทธิ์คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราน้อมเอาเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติที่กายวาจาใจของเราแล้ว ก็เท่ากับเป็นการสร้างสรรณะภายในให้เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างแล้วปรากฏมีสรรณะภายในมากน้อยเพียงไรความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะเบาบางลงไปเพียงนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายมารุมเราจิตใจของเราเราก็ต้องสร้างสารณะด้วยการน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติข้อแรกท่านสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมความดีถ้าแปลความหมายก็หมายถึงการกระทา ทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับเราเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความดีทำไปแล้วจะไม่เกิดโทษเกิดแต่คุณเกิดแต่ประโยชน์ ส่วนบาปนั้นทรงให้ความหมายว่าเป็นการกระทําทางกายวาจาและใจที่ทําให้เกิดโทษขึ้นมาปราศจากคุณประโยชน์กับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นก็ดีนี่คือความหมายของคําว่าบาปเนื้อการกระทําไม่ดีนี้เอง ดังนั้นเราจรึงต้องดูว่าการกระทําของเรานั้นเกิดคุณเกิดประโยชน์และไม่เกิดโทษหรือเปล่าถ้าทําไปแล้วเกิดโทษเราต้องรีบระ ง, งับทันทีกับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นก็ดี <c oughs> การกระทําคุณงามความดีที่มีแต่คุณประโยชน์ไม่มีโทษ <c oughs> ก็มีหลายอย่างด้วยกัน เช่นการมีความกตัญญูกตวเวทีนี่ก็เป็นการกระทำที่มีคุณมีประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นเช่นบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาเราควรสานึกในบุญคุณของท่านว่าท่านได้ให้กำเนิดกับเราท่านได้เลี้ยงดูเรามา ให้เรามีชีวิตยอยู่ได้อย่างทุกวันนี้เราต้องประพฤติปฏิบัติตัวเราให้ดีกับท่านเสมอเช่นให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังไม่ไม่ต่อล้อต่อเถียงกับคำสอนของบิดามารดามีแต่มีหน้าที่ฟังอย่างเดียวจะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ มีหน้าที่ที่จะไปแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เมื่อท่านอยู่ในวัยที่ต้องอาศัยผู้อื่นดูแลเลี้ยงดูเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนี่เรียกว่าความกตัญญูกตวเวทีทำไปแล้วจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุข และทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างของการทำความดีนอกจากการมีความกตัญญูกตเวทีแล้ว<ม>ก็ให้มีการเสียสละให้มีการให้ทานแก่ผู้อื่นอย่าคิดแต่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวโดยถ่ายเดียว ต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยเพราะผู้อื่นก็ปรารถนาความสุขและความเจริญเหมือนกันปรารถนาความไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกันถ้าเราเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะทํา ถ้าเขาขาดอาหารมีเราพอมีอาหารแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันไปแบ่งปันความสุขแบ่งปันประโยชน์ให้กับผู้อื่นเมื่อเราทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความอิ่มเอิบมีความสุข เ, เป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการสร้างสาระที่พึ่งให้กับจิตใจ การกระทำความดีนี้ทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความล่มเย็นเป็นสุขนี่คือตัวอย่างของการทำความดีซึ่งมีอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นการรับใช้ผู้อื่นรับใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นเป็นอาสาสมัครทำงานในองค์กรการกุศลต่างๆ เช่นพวกที่เขาไปเป็นหน่วยกู้ภัยเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุทางรถยนต์มีไฟไหม้มีน้ำท่วมพวกคนอาสาสมัครเหล่านี้เขาก็ออกมารับใช้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนี่ก็เป็นการกระทำความดีเช่นเดียวกัน ดังนั้นขอให้เราพยายามทำให้มากๆทำให้บ่อยๆ อ, อย่าไปคิดแต่จะกอบโกยเอาสมบัติเข้าของเงินทองให้กับเราโดยทายเดียวเพราะมันไม่ได้ทำให้จิตใจเราสุขมากขึ้นเจริญมากขึ้นหรือมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นนะและสมบัติต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตาย เมื่อเราตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือความดีหรือบาปกรรมที่เราทำไว้เท่านั้นเองถ้าเราทำความดีไว้มากเราก็จะมีความดีติดตัวเราไปความดีจะทำให้จิตใจของเราไปเกิดในสู่ที่ดีไปเกิดในสุขคติเช่นได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าดังนั้นการทําความดีด้วยวิธีการต่างๆจึงไม่ได้เป็นการสูญเสียไม่เหมือนกับการสะสมข้าวของเงินทองต่างๆไว้มากเกินความจําเป็นนี่เป็นการสูญเสียมากกว่าเพราะสะสมสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจของเราจิตใจของเรานั้น ยังไม่ตายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจของเรายัางต้องไปต่อและยังต้องอาศัยบุญกุศลหรือความดีที่เราได้กระทําไว้เป็นที่พึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจถ้ามัวแต่สะสมเงินทองแล้วก็หวงสมบัติเงินทองไม่ยอมเอาไปแจกจ่ายไม่ยอมเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจก็จะเป็นเหมือนกับคนผอมแห้งแรงน้อยเพราะไม่ได้รับประทานอาหารเมื่อตายไปก็จะไปแบบขอทานไปแบบไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไปเกิดใหม่ถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ยากจนถ้าไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเอง หรือเป็นตุกแกเป็นชิ้งจกเพราะใจยังมีความห่วงสมบัติของตนอยู่นี่คือเรื่องของใจและเรื่องการทำความดีที่มีความสำคัญต่อจิตใจเป็นอย่างมากไม่มีใครรู้ใครเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเท่านั้นเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ จนเห็นได้อย่างชัดเจนถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของใจถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอนิสงค์ของบุญและบาปคือนรกและสวรรค์ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงดังนั้นท่านจึงนําเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราเพราะเห็นว่าพวกเรานั้นตาบอดมองไม่เห็น คือบอดทางใจขาดสติปัญญาขาดดวงตาเห็นธรรมจึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ว่ามีคุณมีประโยชน์เช่นข้าวของเงินทองต่างๆมันไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจของเราเลยแต่มีโทษมากกว่าเสียอีกเพราะเมื่อมีเงินทองก็จะต้องมีความหวงมีความหวง มีความกังวลมีความเสียดายมีความเสียใจเวลาที่ต้องสูญเงินทองใบเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรประโยชน์กับจิตใจของเราเลยมันมีประโยชน์เพียงแต่ดูแลร่างกายของเราให้อยู่ไปวันวันหนึ่งเท่า น, นั้นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามทำความดีให้มาก เพื่อสร้างสรรนาสร้างที่พึ่งให้กับใจส่วนบาปนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราระงับอย่ากระทําเพราะการทําบาปเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นการลงโทษใจให้มีความวุ่นวายมีความเดือดร้อนถ้าเราไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณี ไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงไปเสพสุรายาเมาหรือไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนความเกลียดคร้านหรือคบคนชั่วเป็นมิตรก็จะเป็นเหตุที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจของเรา ถ้าเราไม่กระทำสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องไปคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปที่เกิดจากการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกทั้งหลายและประการที่สามที่ท่านทรงสอนให้เราทำคือให้ชำระใจ ชำระใจให้สะอาดใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้านี้มีความต่างกันใจของพระพุทธเจ้านั้นมีความสะอาดใจของเรายังมีความสกรปรกอยู่เหมือนกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วกับยังไม่ได้ซักเสื้อผ้าที่ซักแล้วย่อมสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสิ่งเปิดะเปื้อ น, นติดอยู่ในเสื้อผ้า แต่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักนี้จะมีสิ่งเปืเป้อนติดอยู่และมีกลิ่นเหม็นชันใดจิตใจของพวกเราก็ที่ยังไม่ได้รับการชำระก็ยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอยู่ภายในใจที่สร้างความเศรา้าความเสียอกเสียใจความกังวลใจความหวาดกลัวความทุกข์ใจต่างๆอยู่ เพราะว่าเราไม่ได้ชำระกําจัดต้นเหตุของความทุกข์เหล่านี้นั่นเองก็คือความโลภความโกรธความหลงถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจต่อให้เป็นอะไรก็ตามก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์เป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษัตัิย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนธรรมดาหรือเป็นขอทานข้างถนน หรือเป็นสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์เพราะความทุกข์นี้มันไม่ได้อยู่ที่เพศมันไม่ได้อยู่ที่วัยมันอยู่ที่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นถ้ามีความโลภความโกรธความหลงมากก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายมากถ้ามีความโลภความโกรธความหลงน้อยก็มีความวุ่นวายน้อย วิธีที่จะทำให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก, ก, ก็คือต้องเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นอย่าไปโลภ ก, กับเงินทองอย่าไปหลงกับเงินทองว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเรามันไม่ใช่มันไม่ได้ให้ความสุขมั้นมันไม่ป้องกันความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้เราต้องรู้จักใช้มันคือเรายังต้องอาศัยมันอยู่เพื่อดูแลรักษาร่างกาย แต่ใจของเราอย่าไปหลงยึดติดกับมันว่ามันดีมันวิเศษมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราหลงยึดติดมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเราจะอาศัยมันทำ<ม>ในสิ่งที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไร<ม>เช่นคนที่มีสตางค์ก็จะไปเที่ยว<ม>อย่างนี้ไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ในขณะเดียวก็ก็เป็นการสร้างนิ ส, สัยที่ไม่ดีติดตัวไปด้วยเกิดวันใดเงินทองหมดไปก็จะเดือดร้อนคนที่เคยเสพสุราอยู่ทุกวันพอไม่ได้เสพพอขาดเงินไม่มีเงินซื้อสุราก็จะต้องทุกข์เป็นอย่างมากคนที่เคยเล่นการพนันก็เช่นเดียวกันคนที่เคยเที่ยวก็เช่นเดียวกันถ้าอาศัยเงินทองมาให้มาบำรุงบำเรอแล้ว พอเงินทองหมดที่นี้ก็จะเดือดร้อนที่นี้ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปหามาได้อย่างถูกต้องก็จะต้องไปทําบาปทํากรรมไปป้นธนาคารไปฆ่าผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะเอาเงินมาบำรุงบำรุงบำรงบำเลิบลพวกอบายยามุกต่างๆอีกนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอย่าหลงติดกับเงินทองอย่า อย่าใช้เงินทองซื้อความสุขเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเอาเงินทองนี้ไปจกจ่ายไปทาบุญทาทานเท่านั้นแหละที่จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจของเราอย่าทำเพื่อตัวเราต้องทำเพื่อผู้อื่นมีเงินทองเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นใครเดือดร้อนอะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเราเช่นบิดามารดาพี่น้องของเราก็ดีหรือคนไกลตัวคนที่เราไม่รู้จักก็ดีทำไปแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายใจเพราะเราได้กำจัดความโลภความหลงและความโกรธไปได้ในระดับหนึ่งนี่คือการสร้างสาระที่พึ่งทางใจ ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจพอใจขึ้นเราจะเห็นแล้วว่าการทำความดีนี่ต่างหากที่จะนำมาสร่งความสุขและความเจริญการละ ง, งับการกระทำบาปทั้งหลายเป็นวิธีที่จะป้องกันสิ่งเลวร้วายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราการกําจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลาย ที่มีอยู่ในใจเราจะทำให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างดีอย่างวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นตรงนี้แหละเป็นที่จิตใจที่ตัดสจากความโลภความโกรธความหลงดังนั้นจึงขอให้เราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทงสามข้อนี้คือทาดีละบาปชาระกายว ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการเสียสละด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการละเว้นอบายามุขทั้งหลายและด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบด้วยสมถภาวนาคือการนั่งสมาธิและทําจิตใจให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง เพื่อกำจัดความหลงด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติตามสิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะมีธรรมะปรากฏขึ้นมาในใจเมื่อมีธรรมะแล้วก็จะปรากฏมีพุทธะหรือสังขะขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นถ้าเป็นการศึกษา สร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาด้วยตนเองไม่มีใครสั่งสอนก็จะเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครสั่งสอนพระพุทธเจ้าต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เองแล้วเมื่อนำเอามาปฏิบัติก็ปรากฏเป็นธรรมคือความสงบสุขภายในใจความสว่างสวัยภายในใจความรู้แจ้งเห็นจริงภายในใจ ก็ทำให้ท่านกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามีพุทธเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเมื่อเรานำนำในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาประพฤติปฏิบัติจนปรากฏมีธรรมะขึ้นมาในใจแล้วเราก็จะกลายเป็นสังฆะสังฆะก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกัน ก็เราก็จะมีพระรัตนตรัยเพราะว่าพุทธธรรมสังขะนี้ก็เป็นองค์เดียวกันต่างแต่กิริยาแตกแต่อาการท่านั้นแต่ก็มีเนื้อหาสาระเหมือนกันเมื่อมีธรรมแล้วก็จะมีธรรมะก็จะมีพุทธมีสังขะเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้า หรือพุทธนี่เองถ้าเราปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือมีผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นมาในจิตในใจเราก็จะมีธรรมะเมื่อมีธรรมะเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือพุทธและผู้ที่รู้ธรรมะรู้พุทธก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือสังขะนี่เองคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือตัวเรานี่เอง นี่แลคือการสร้างพระรัตนไทยให้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงกับจิตใ จ, จของเราเพราะเมื่อมีพุทธธรรมะสังขะอยู่ในใจแล้วใจจะไม่มีความทุกข์ไปตลอดอนันตการเพราะใจจะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อใจไม่ไปเกิดย่อมไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการพัดพรากจากกัน เมื่อไม่มีก็ไม่มีความทุกข์ดังที่ได้ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดจากการพัดพากจากกันอยู่แต่ถ้าจิตใจได้ชาระกิเลสจนหมดสิ้นไปแล้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้ว จิตใจก็ไม่ต้องไปเกิดเด็กต่อไป<ม>จิตใจก็เป็นจิตที่มีปรมังสุขขังมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุด<ม>นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการน้อมเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในจิตใจเพื่อสร้างให้เป็นสาระที่พึ่งทางใจของเรา จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนขอให้ท่านหมั่นเข้าวัดหมั่นศึกษาหมั่นฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุขเพื่อความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา